พระพุทธศาสนาที่พวกเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ พวกเราจึงควรที่จะช่วยกันปกป้องรักษาให้พระศาสนาที่เรารักเราเคารพนี้ได้อยู่คู่กับเรากับลูกหลานเราไปตลอดเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่พวกเราและ ทายาทของเราที่จะตามมาต่อไปคำว่าสมบัติอันลํำค่านี้หมายถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถมอบให้กับเราได้ต่อให้เรามี สมบัติกองเท่าภูเขาเงินทองกองเท่าภูเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังจะไม่สามารถทำประโยชน์ได้เท่ากับพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีเงินทองกองเท่าภูเขาในโลกนี้จะสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจ ของพวกเราได้ไม่สามารถที่จะช่วยให้เราได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเป็นมหาศเหาศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านก็ยังจะต้องติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดี แต่ผู้ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจจะเป็นผู้ที่จะหลุดออกจากคุกตรางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นผู้ที่ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้อย่างราบคาบอย่างถาวรบุคคลที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจ คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าคนต่อมาก็คือพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านเป็นบุคคลที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้ต้องมาติดคุกตาราง แห่การเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรากําลังเป็นอยู่ในขณะนี้จะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ความจริงของพวกเราก็คือพวกเรานี้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ เช่นพบนี้ชาตินี้เราก็ได้มาเกิดเป็นคนไทยมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็จะตายไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ ก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพราะเรามีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานั่นเองเราเลยติดคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่รู้สึกตัวเราอาจจะคิดว่าเราคือร่างกายของเรา เราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปเราก็จบแต่มันไม่จบที่จบก็คือร่างกายร่างกายก็สลายไปกับคืนสู่ธาตุทั้งสี่กับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจไม่ได้สลายไปกับธาตุสีดินน้ำลมไฟใจที่มีความอยากก็จะถูก ความอยากนี้ดึงให้กลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่รู้ความจริงอันนี้รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจความอยากสามประการด้วยกัน คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้มีอย่างนั้นไม่ให้มีอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหา นี่คือความอยากที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกๆคนที่จะพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันทุกทุกพบทุกชาติเพราะเราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมาเสบกันนั่นเองเป็นเหมือนยาเสพติดที่เมื่อเราเสพแล้วเราก็ติด เราก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาบใจเศร้าซ้อยงอยเงาว้วาเหวเครียดหรืออาจจะทุกข์มากจนถึงกับอยากจะข้าวตัวตายเช่นคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถที่จะ เสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้ก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายไปก็มีมากอยู่แล้วมีมากอยู่ตามที่เราได้ยินได้ฟังกันนี่ก็คือโทษของการที่เรามีความอยากทั้งสามประการนี้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้หายอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คืออยากให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโรควิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ สามารถเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงได้ได้เห็นว่าความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจต่างๆที่พระองค์มีอยู่นั้นไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆแต่เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้เท่านั้นเองพระองค์ก็เลยทรง ใช้ความสามารถของพระองค์สร้างอาวุธสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาต่อสู้มาทําลายความอยากทั้งสามประการนี้และสามารถทําลายความอยากทั้งสามประการนี้ได้หมดสิ้นไปด้วยเครื่องมือที่พระองค์ทรงค้อนทบ ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือเครื่องมือที่พระองค์ได้ทรงคนพบว่าเป็นเครื่องมือที่จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์ให้หายไปหมดได้เมื่อไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้แล้วใจของพระองค์ก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ไม่ทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่มีความอยากให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของร่างกายร่างกายจะแก่ก็เรื่องของร่างกายร่างกายจะตายก็เรื่องของร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลยจะไปทุกข์กับมันทาไม ที่ทุกข์เพราะอยากมีร่างกายอยากเก็บร่างกายไว้นานๆอยากให้ร่างกายอยากใช้ร่างกายไปนานๆ น, นั่นเองไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกเพราะ <c oughs> ไม่มีความสุขอยู่ภายในใจของตนเองก็ <c oughs> เลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือในการ พาไปหาความสุขต่างๆแต่เป็นเป็นความสุขที่ปนไปกับความทุกข์เพราะเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเวลาความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็ตามเข้ามาเช่นตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายได้ ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจมีความอยากจะฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและปฏิบัติทำให้พระองค์นี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ พอพระ อ, องค์ได้ทรงเสร็จหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วพระ อ, องค์ก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังไม่รู้อย่างพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้รู้และจะได้ปฏิบัติและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอย่างที่พระ อ, องค์ได้ทรงหลุดพ้น ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพมีความเลื่อมใสในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมนาเอาไปปฏิบัติไปสร้างศีลไปสร้างสมาธิไปสร้างปัญญาขึ้นมาพอมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ หยุดกามาตันหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภวะตัณหาได้พอหยุดได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นก็เลยกลายเป็นพระอาหารหันตสาวุก ข, ขึ้นมา แล้วหลังจากที่ท่านได้หลุดพ้นกันแล้วท่านก็มาทำหน้าที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งหลังจากที่ได้หลุดพ้นแล้ว mm. ก็คือนำเอาความรู้ที่ได้ส่งรู้ได้เห็นนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งนี่คือวิธีการสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาและ เผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วพระองค์ก็ทรงอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เวลาที่เหลืออยู่อีก45ปีให้แก่การเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลก ในแต่ละวันนี้พระองค์จะมีภารกิจอยู่5ประการด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจ5หน้าที่การงานของพระพุทธเจ้า5ประการประการแรกก็คือในยามบ่ายอย่างว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จะอบรมสั่งสอนคารวาดญาติโยมในตอนค่าภารกิจขั้นที่สอง ก็จะส่งอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและในยามดึกพระองค์ก็จะส่งสั่งสอนเทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาตก็ส่งรงยานดูว่าจะส่งไปโปรดไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นและหลังจากนั้นก็ส่งออกบินทบาตโปรดสัตว์ นี่คือภารกิจหรือกิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญต่อการเผยแผ่สั่งสอนอบรมสั่งสอนสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ยังติดอยู่กับความทุกข์ต่างๆให้ได้หลุดพ้นออกจากคุกตารางให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเมื่อน้อมนำอาอกไปปฏิบัติก็สามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็มาช่วยกันสั่งสอนผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาจึงเจริญุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้และขยายแพร่หลายไปเกือบทั่วโลกแล้วเพราะกับยังมีการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีการบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและพอได้บรรลุธรรมแล้วก็นําเอาธรรมที่ได้รู้ได้เห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อีกทอดหนึ่งพระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกไปได้อีกอยู่ที่ขั้นตอนสี่ประการนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาก็ทำคาสอนของพระพุทธเจ้า ขั้นที่สองนำเอาคาสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติขั้นที่สามปฏิบัติจนได้บรรลุผลได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ดำเนินขั้นที่สี่ก็คือเผยแผ่สั่งสอนความรู้ที่ได้ได้บรรลุถึงนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้เมื่อได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสเกิดความยินดีที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัตินี่คือสิการทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆเช่นสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหาร ทามวณและวัตถุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ไม่มีผลกระทบต่อการมีหรือไม่มีของพระพุทธศาสนาสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อการมีหรือไม่มีของพระพุทธศาสนาก็คือขั้นตอนสี่ประการนี้ถ้าไม่มีการรู้ศึกษารเรียนระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีการน้อมเอาคำสอนไปปฏิบัติไม่มีการบรรลุถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนหรือเพักถ้าเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่ได้สั่งสอนทาที่เป็นธรรมแท้จริงเช่นมีการศึกษาเช่นญาติโยมวันนี้ฟังเทศฟังธรรมแล้วญาติโยมก็เอาไปสั่งสอนคนอื่นต่อ ธรรที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังในตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้เป็นธรรมจริงยังไม่สามารถนําเอาไปสอนให้คนอื่นหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พราะผู้สอนเองก็ยังไม่ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้สอนจะสอนได้ก็ต่อเมื่อได้น้อมเอาคําสอนที่ได้ยินได้ฟังนี้ ไปปฏิบัติก่อนไปกําจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยาถ้าตนเองยังไม่สามารถกําจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้จะไปสอนให้ผู้อื่นเขากําจัดมันได้อย่างไรนี่คือ เรื่องของการเผยแพ่สั่งสอนที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและแก่ผู้สั่งสอนเองเพราะว่าผู้สั่งสอนก็ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติผู้ศึกษาเมื่อได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังทมที่ไม่ถูกตามความเป็นจริง เป็นธรรมที่ออกจากจินตนาการของผู้สอนผู้สอนได้ยินได้ฟังก็จินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนแล้วเอาความรู้สึกนึกคิดนั้นไปสอนผู้อื่นอีกทอดหนึ่งผู้อื่นเมื่อนำเอาไปปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ผลได้จึงเป็นการ ทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวถ้ามัวแต่ศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติศึกษาแล้วก็เอาไปสั่งสอนผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการทําลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวในรูปแบบหนึ่งการทําลายพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่รู้สึกเตืเออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทุ่มเท กำลังจิตกำลังใจให้กับการกอร่อสร้างถาวรลวัตถุต่างๆสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมสิ่งที่สร้างนี้ไม่ได้เป็นพระพุทธศาสนาสิ่งที่สร้างนี้เป็นถาวรลวัตถุเป็นส่วนประกอบของพระพุทธศาสนา ที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่สำคัญพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดจากทาร ว, ะวะัตถุและไม่ได้ล่มสลายไปจากการที่ไม่มีทารวัตถุพระพุทธศาสนาเกิดจากการศึกษาของพระพุทธเจ้าเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดจากการเผยแผ่ธรรมที่พระองค์ได้ส่งบรรลุให้แก่สัตว์โลก แล้วสัตว์โลกก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมตามลำดับแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเป็นทอดทอดไปนี่แหละคือตัวศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรมอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมของที่ได้บรรลุมา สมัยพระพุทธกาลนี้ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงศึกษาทรงบาเพญ็ญอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าอยู่ตามถ้อยู่ตามเงื่อนผานี่แหละคือสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่เกิดของพระพุทธศาสนาเกิดในป่าไม่ได้เกิดในบ้านในเมือง ไม่ได้เกิดในวัดในโบสถ์ในเจดีย์ในกุฏิเพระพระพุทธเจ้าทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ใต้โคนต้นโพท่านไม่มีกุฏิที่อยู่อาศัยท่านอยู่ตามโคนไม้อาจจะทำเพิงไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนแต่ไม่มีทาวลและวัตถุอย่างที่มีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้เรามีถาวราวัตถุกันมากมายมีวัดวาอารามวิจิตรสวยงามวิจิตรพิสดารมากมายก่ายกองแต่ในวัดวาอารามเหล่านั้นมีมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการเผยแผ่ธรรมมากน้อยเพียงไรผู้ที่ไปตามวัดต่างๆไปตาม วัดที่มีถาวรและวัตถุที่สวยงามต่างๆนี่มักจะไม่ได้ความประทับใจไม่เหมือนกับผู้ที่ไปตามวัดฝ่าวัดเขาต่างๆที่ไม่มีถาวรวัตถุถาวรและวัตถุมากมายกายกองมีเพียงสาราที่ดูแล้วก็ไม่น่าประทับใจไม่วิจิตพิสดารไม่ไม่รู้ราไม่สวยงาม เป็นที่หลบแดดหลบฝนไว้สําหรับทรรมกิจกรรมที่จำเป็นเช่นการขบฉันหรือการอบรมสั่งสอนเท่านั้นเองแต่เมื่อไปแล้วได้ไปได้ยินได้ฟังธรรมที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ฟังแล้วกลับเกิดความประทับใจมากกว่าการที่ไปได้ยินได้ฟังธรรมในวัดที่มีทาวารวัตถุที่ สวยงามวิจิตพิสดารแต่ธรรมที่ฟังนี้เป็นธรรมแห้งๆธรรมที่จะลึกไว้ในใบลานเอามาอ่านกันเอามาสอนกันไม่ได้ออกมาจากใจของผู้อ่านผู้สอนแต่อย่างใดเมื่อฟังแล้วก็ไม่เกิดความประทับใจไม่มีความ เชื่อมต่อกันระหว่างธรรมที่แสดงกับใจของผู้ฟังแต่ถ้าเป็นธรรมที่ปฏิบัตินี้มันจะเป็นธรรมที่ออกจากใจแล้วมันก็จะพุ่งตรงไปสู่ใจของผู้ที่ฟังทันทีผู้ที่ฟังแล้วก็จะเกิดความประทับใจขึ้นมาเพราะเป็นธรรมที่มันสามารถสะเทือนใจของผู้ฟังได้สามารถทาลาย ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของผู้ฟังได้นี่แหละคือธรรมแท้ต้องเป็นธรรมที่ออกจากการปฏิบัติธรรมที่ได้บรรลุจากการปฏิบัตินี้เรียกว่าธรรมแท้ส่วนธรรมที่ได้จากการศึกษาได้อ่านได้ฟังได้เรียนนี้ยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ต้องนำเอามาพิสูจน์ก่อน แล้ว เ, เอามาปฏิบัติกับใจของผู้ที่ศึกษาก่อนจนสามารถกําจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจได้ก่อนแล้วกําจัดความทุกข์ต่างๆกําจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก่อนแล้วถึงจะสามารถนําเอาธรรมที่ได้รู้ได้เห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟัง นี่แะคือการที่เราจะรักษาสมบัติอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างให้กับพวกเราแล้วก็มอบให้กับพวกเราให้เป็นที่พึ่งแก่พวกเราให้เป็นที่ดับทุกข์ให้กับพวกเราให้เป็นที่ให้พวกเราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่แหละคือศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่สี่ขั้นตอนนี้คือการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนนี้ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นำเอาความรู้นี้ความหลุดพ้นนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังติดคุกติดตารางอยู่ผู้ที่ยังถูกความทุกข์รุมเล้าจิตใจอยู่พอเขาได้ยินได้ฟังวิธีการดับทุกข์แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเขาได้อย่างสิ้นเชิงก็จะทำให้เขามีศรัทธามีความเชื่อ มีความประทับใจกับการฟังธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะเป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ดับความทุกข์ได้แต่ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ดับบ้างดับได้บ้างดับไม่ได้บ้างดับได้ในบางระดับแต่ไม่สามารถที่จะดับทําได้ทุกระดับดับความทุกข์ได้ทุกระดับและไม่สามารถดับได้อย่างราบคาบอย่างถาวร เหมือนกับธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะปกป้องรักษาสมบัติอันล้ำค่าคือพระพุทธศาสนาพวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่วัดวาอารามอยู่ที่พระสงฆ์องค์เจ้า คือผู้ที่มากรศีรษะรุ่งเหลืองห่มเหลืองหรืออยู่ที่การศึกษารำอยู่ที่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่การบรรลุธรรมอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมเนี่ยมีคําสอนที่ทรงตัดไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ปราศจากพระอรหรันต์ พระอารหันต์เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาจากผู้ที่ได้บรรลุแล้วผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ ว, ลวถึงจะสามารถบรรลุทำแท้ได้ถ้าศึกษากับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุก็จะไม่ได้รับทำแท้ เมื่อไม่ได้รับธรรมแท้มาปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดทำแท้ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะได้ทำปลอมไปกลายเป็นความหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือศาสนาอะไรไม่ใช่ศาสนาแต่การพูดนี้ก็ไม่ได้ไป มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือลบล้างเรื่องถาวรวัตถุต่างๆถาวรวัตถุถ้าใช้ให้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลมันก็สามารถสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมได้แต่ไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกลัวว่าจะไปหลงไปเสียเวลากับการไปสร้างแต่ถาวรวัตถุ จนลืมมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมมาเผยแผ่ธรรมกันเท่านั้นเองซึ่งมักจะเป็นการอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าใครก็ตามพอมาบวชได้การสักพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มคิดเรื่องของการสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างกุฏิสร้างวิหารญาติโยมที่อยากจะได้บุญก็อยากจะสร้าง ถาวรและวัตถุต่างๆโดยที่ไปคิดว่าบุญอยู่ที่การสร้างถาวรและวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็นคิดว่าบุญอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรุอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมนี่แหละคือบุญแท้บุญแท้ก็คือบุญที่ทำให้สัตว์โลกได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถึงเรียกว่าบุญแท้บุญที่ได้จากถาวละวัตถุนี้ยังเรียกว่าบุญปลอมอยู่บุญปลอมเพราะว่าเป็นบุญชั่วคราวได้ผลชั่วคราวทาบุญแล้วตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาชั่วคราวแล้วพอบุญหมดก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจึงไม่ควรที่จะ ให้ความสาคัญกับการทําบุญแบบนี้ควรให้ความสําคัญต่อการทําบุญที่เป็นบุญแท้กันเถิดคือมาศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วนำเอาพระธรรมคาสอนนี้ไปปฏิบัติเช่นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนก็สอนให้เราสร้างศีล ส, สมาธิปัญญากันขึ้นมาเพราะศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออาวุธ ทำอาวุธที่จะมาฆ่ากิเลสตัณห า, ต, าต่างๆที่เป็นตัวสร้างพบสร้างชาติเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจนั่นเองให้เรามารักษาศีลกันศีล น, นี้ก็ต้องเป็นระดับศีลของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ศีลของผู้ครองเรือนศีลของผู้ครองเรือนนี้ไม่พอต่อการที่จะ ทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากกิจจากใจได้จำเป็นจะต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยสิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าเนี่ยสร้อยิบเจ็ดก็ของพระภิกษุสามร้อยกว่าก็ของภิกษุณีศีลสิบก็ของสามเณรศีลแปดก็ของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชี ้าขาวอันนี้เป็นศีลเริ่มต้นเป็นศีลของผู้ที่จะมากำจัดตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอรักษาศีลได้ก็จะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญสมาธิมาทำใจให้สงบมีเวลาที่จะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเพราะผู้ที่ถือศีลแปดนี้จะ ไม่ไปทำมาหากินหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหาลาบยศสรรเสริญสุขก็จะมีเวลามาเจริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาปรีกวิเวกการเจริญสติการนั่งสมาธินี้จำเป็นจะต้องอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะคอยมายั่วยวนกวนใจให้ เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้ไปทำตามความอยากแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อมาหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจผู้ที่จะบำเพ็ญจึงต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นถ้ายังทำงานอยู่ก็ต้องหาวันที่ไม่ต้องทำงานมาบำเพ็ญกันเช่นวันหยุดทำงานนี้ แทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มารักษาศีลแปดกันจะรักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มันสงบที่ไม่มีใครมารบกวนใจที่สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนก็ปฏิบัติต้องปฏิบัติรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องมาเจริญสติ มาควบคุมความคิดปรุงแต่งด้วยการาใช้คำบริกรรมพุทโธไปหรือด้วยการคอยจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้เฝ้าอยู่ในปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายพอไม่ได้ทําอะไรก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวแล้วจใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งสักตะวารุเป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งโปร่งนัตติสันติปรังสุขขัง พอได้พบกับความสุขในใจนี้แล้วก็จะสามารถตัดความอยากที่จะหาความสุขต่างๆทางร่างกายได้เวลาเกิดความอยากจะไปดูไปฟังไปดื่มอะไรก็สามารถหยุดมันได้เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขแบบนั้นอีกแล้วเพราะมีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วถ้าสามารถ ฝืนความอยากต้านความอยากไม่ทำตามความอยากได้ทุกครั้งไปต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจอีกต่อไปใจก็จะสงบเย็นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถมากระทบกระเทือนความเย็นความสบายความสงบของใจนี้ได้ ใครจะเป็นใครจะตายใครจะดา่าใครจะชมจะไม่มีผลต่อใจอันนี้ใครจะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีผลต่อใจอันนี้ต่อไปใจอันนี้จะสงบไปตลอดจะเย็นไปตลอดจะมีความสุขความอิ่มไปตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพอได้มารลุถึง ทำขั้นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะทํองทาอีกสําหรับตนเองก็มีแต่การทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นการทานุบำรุงพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกไปนานๆด้วยการเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เพื่อที่ผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้จักวิธี ที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจแล้วก็จะได้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้บุญอีกทอดหนึ่งนีศาสนาของเราจึงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีพวกเราก็ต้องพยายามรักษาพระพุทธศาสนาใน แบบนี้ในรูปแบบนี้คือรักษาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุและด้วยการเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่คือศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุกันถ้ามัวแต่มาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาด้วยการไปสร้างวัดไปสร้างถาวรรณวัตถุต่างๆอันนั้นก็เป็นเพียงเปลือกของศาสนาเท่านั้นเองไม่มีเนื้อเหมือนกับผลไม้ที่มีจตดเปลือกพอแกะเปลือกออกมาก็ไม่มีเนื้อให้รับประาทานถาวรรณวัตถุต่างๆนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจที่พวกเรามีกันได้ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ทาวรและวัตถุมีไว้สำหรับสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมการเผยแผ่ธรรมเท่านั้นจึงไม่จาเป็นจะต้องเป็นของวิจิตพิสดารของหรูหราของสวยงามขอให้เป็นของที่ใช้งานได้ก็พอเช่นศาลาหลังนี้ที่พวกเรานั่งกันอยู่นี้มันก็ทำหน้าที่ของมันได้เป็นหน้าที่เป็นเป็นที่ที่พวกเรามาศึกษาทำกันเป็นที่ เผยแผ่ธรรมกันเป็นที่ปฏิบัติธรรมกันเป็นที่บรรลุธรรมกันได้ไม่ต้องมีโบส์ไม่ต้องมีเจดีไม่ต้องมีกุฏิขอให้เป็นที่ที่สงบสงัดวิเวกปราศจากสิ่งลบกวนใจต่างๆเท่านั้นเองเพราะการบําเพ็ญจิตเพื่อการตัดกิเลสนี้จําเป็นจะต้องไม่มีอะไรมาลบกวนใจจิตจะต้อง จดจอ่ออยู่กับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาจดจอ่ออยู่กับการสร้างศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจให้หมดไปได้ความอยากที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นี้ไม่ต้องกำจัดเช่นความอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมความอยากจะปฏิบัติธรรม ความอยากจะถือศีลความอยากจะนั่งสมาธิความอยากจะเจริญปัญญาความอยากเหล่านี้เป็นความอยากมีคุณมีประโยชน์ทำได้แต่ความอยากไปเที่ยวอยากจะหาเงินหาทองหาแฟนหาสามีหาภรรยาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเลิ่มอยากรวยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความอยากที่เป็นภัยต่อจิตใจที่เราต้องทำลายเราก็ต้องทำลายด้วยการใช้ความอยากในในทางที่เป็นประโยชน์เช่นอยากมาฟังเทศฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะออกบวชนี่เป็นความอยากที่จะมาทำลายความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ไม่ดีนี่มีเพียงสามประการคือกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือตัณหาสามประการที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจที่นำพาจิตใจให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิน้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติมาทาลายกัน เมื่อเราทำลายได้หมดแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเราก็จะสามารถเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุได้ไ ด, ได้ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาตามลำดับไปเรื่อยๆ พระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับพวกเราไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานอาจจะนานยิ่งกว่าห้าพันปีตามที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ตราบใดถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการสืบทอดอยู่ตราบนั้นจะโลกจะไม่ปราศจากพระพุทธศาสนาดังที่ทรงได้ตรัสไว้ว่าตราบใด ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบนั้นโลกยังจะไม่ปราศ จ, จากพระอาหารหันต์ถ้ามีพระอาหารหันต์ก็จะมีผู้ที่สที่จะสั่งสอนทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำเมื่อมีผู้ที่สั่งสอนทำได้ถูกต้องแม่นยำก็จะมีผู้ที่ฟังแล้วประทับใจที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรา จงมาดูมาศึกษากันให้รู้อย่างแท้จริงว่าตัวศาสนาตัวพระพุทธศาสนานี้อยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่ถาวรวัตถุหรืออยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุอยู่การที่เผยแผ่ธรรมดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าศาสนาอยู่ตรงไหนสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุมีอะไร มีโบทมีเจดีมีถาวลวัตถุอะไรหรือเปล่ามีแต่การศึกษาของพระ อ, องค์มีแต่การปฏิบัติของพระ อ, องค์มีแต่การบรรลุ ธ, ธรรมของพระ อ, องค์และมีแต่การเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์นี่แหละคือตัวศาสนาที่แท้จริงถ้าเราอยากจะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา อยากจะทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขอให้เรามาสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมและการเผ ย, เผยแผ่ธรรมเถิดแล้วรับรองได้ว่าศาสนาพุทธที่มีที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเหล่านี้จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้เป็นเวลาอันยาวนานอย่างแน่นอนจิงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม ให้รู้ว่าศาสนาพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่ตรงไหนกันแล้วจะดูแลรักษาพระพุทธศาสนานี้ได้อย่างไรกันให้ท่านเอาไปพิิจพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองของตัวผู้ปฏิบัติเองและของพระพุทธศาสนาที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุป ก, กัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะระโสยธามณิโชติระโสยธาสภิตโยวิวาจันโตสพโรโววินาศตุมาเตภวตวันตรายโสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโน จตารโธรรมวาฐานติอายุวโนสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ขอให้ถามในช่วงนี้ เพราะว่าตอนที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดตอบปัญหาใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้หรือส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามที่ฝากมาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับจาก โยมฝากถามนะครับโยมทำทานศีลภาวนาสม่ำเสมอแต่ตอนนั่งสมาธิจิตชอบฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องทำบุญทำทานหรือนึกถึงทานที่ทำไปแล้วบ่อยๆมันก็สุขเพลินแต่พอมีสติก็กลับมาพุดโทรต่อสักพักจิตก็ฟุ้งไปนึกถึงเรื่องทานเหมือนเดิมจิตเลยสงบบ้างไม่สงบบ้าง คำถามข้อที่หนึ่งจิตฝักไฟการทําทานเยอะไปไหมคะต้องลดทานลงไหมออไม่หรอกเพียงแต่ว่าทําไม่ถูกท่านเองแต่อยากทําเยอะๆก็เขียนเช็คใบเดียวหมดเรื่องเลยมีเท่าไหร่ ย, ยกไปทั้งหน้าตักเลยจบ อ, อย่างนี้คําว่าทานทํามากไม่มีหรอกเพียงว่าทําไม่ถูกท่านเองอ ธรรมมากก็คือทำหมดนะ <S ess im itation> เรียกว่าทรมากอย่างพระพุทธเจ้าก็สะละราชสมบัติไปเลยไม่ใช่มาทำทีละนิดทีละหน่อยเสื้อนุน่นนิดเสื้อนี่หน่อยมาถวายอย่างนี้มันก็ถ้าทำให้จิตใจปรุงแต่งมากเกินไปทำให้ไม่มไม่ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติกันเพราะนั้นถ้าอยากจะทำทานแบบสนับสนุนการจเจริญสติก็ต้องทำมันครั้งเดียวเลย อยากจะทําเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ที่หน้าตากนี้ยกไปเลยจะไปให้ใครก็ได้ถวายไปที่ไหนก็ได้จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการอ่ซื้อข้าวซื้อของมาต่อรองข้าวของอีกไปซื้อแล้วเขาคิดแพงหน่อยก็ไม่พอใจเขาอีกอะไรต่างๆเหล่านี้ทำง่ายๆเขียนเช็คใบเดียวสมัยนี้มีมือถือก็กดเงนเข้าไปเลยโอนเข้าไปเลยะ แล้วจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมักคิดถึงเรื่องทานกันอีกต่อไปข้อที่สองทำอย่างไรให้จิตสงบนานๆตอนนั่งสมาธิก็นี่แหละก็ต้องมีเวลามาฝึกสติกันเยอะๆถ้ามัวแต่ไปทำทานมันก็ไม่มีเวลามาเจริญสติถ้าทำทานแบบ ง, ง่ายๆกดปุ่มปับ๊บเขียนเช็คใบเดียวปับ๊บนี้ก็หมด แล้วก็มีเวลามาเจริญสติพุทโธพุทโธได้แล้วก็จะนั่งได้นานคําถามข้อต่อไปนะครับคําถามข้อต่อไปจากคุณประดิษฐ์นะครับแล้วอย่างคารวาจะมีวิธีใดพิจารณาอย่างไรดูอย่างไรว่าพระพิสุรูปนั้นบรรลุธรรม อ, อ๋อยากเหรคนตาบอดจะไปดูว่าคน คนอื่นเขาตาดีหรือไม่ดีเร น, นดูไม่ได้หรอกเราต้องทำตัวเราให้ตาดีก่อนต้องทาให้ตาเราหายบอดก่อนพอเราเป็นพระขึ้นมาแล้วเราจะรู้เองถ้าเราเป็นโสดาบันเราก็จะรู้คนระดับโสดาบันแต่เราจะไม่รู้ระดับที่สูงกว่าโสดาบันเราอยากจะรู้คนที่สูงกว่าเราก็ต้องปฏิบัติให้สูงกว่าถ้าเราอยู่ระดับพระอรหนันต์เราก็จะรู้คนทุกระดับว่าเขาอยู่ในระดับไหน คำถามจาคุณขวัญจิตนะครับวิธีพิจารณากายทำอย่างไรคะก็มีหลายวิธีหลายลักษณะวิธีแรกก็คือให้พิจารณาว่าร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้พิจารณาบ่อยๆจนไม่ลืมพวกเรามักจะลืมกันพอลืมก็โลภกันอยากได้กันโกรธกันเกลียดกัน ถ้าถ้าไม่ลืมมันจะไม่โกรธใครมันจะไม่โลภกับใครถ้าคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วไปโลภกับอะไรจะไปเกียดอะไรกับใครเราลืมกันเราลืมความตายกันพิจารณากันแล้วก็ลืมต้องพิจารณาแบบไม่ลืมถ้าไม่ลืมว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายผมหงอกมันก็ไม่ไปวุ่นวายหนังเหี่ยวมันก็ไม่วุ่นวายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่วุ่นวาย ตายมันก็ไม่วุ่นวายขณะที่อยู่ก็ไม่วุ่นวายกับใครไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรกับใครใครจะดีใครจะชั่วมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายของเราอยู่ดีนี่คือการพิจารณาร่างกายให้รู้ว่าไม่เที่ยงเอาค่านี้ก่อนเอาให้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก่อนคําถามจากุณศีนาศนะครับ ความไม่อยากเป็นถือเป็นความอยากอย่างหนึ่งทำอย่างไรให้หลุดพ้นคะก็ต้องมาปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาแล้วจะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้คำถามจะกคุณตองนะครับ การที่ความอยากให้คนนั้นคนนี้มีความสุขคือกิเลสอีกแล้วใช่ไหมคะหนูเพิ่งเรียนรู้เมื่อคืนโยมลืมคําว่าเดินสายกลางอันนี้คือปัญหาที่ทําให้โยมคิดใช่ไหมคะใช่อยากให้เขาเป็นกล้วยเป็นส้มเขาเป็นส้มก็อยากให้เขาเป็นกล้วย <c oughs> ก็เลยทุกเพรมันไม่เป็นจากท่านเดิมนะครับ โยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่เชียงใหม่เขาจะฉันวันละสองมือ้อแต่ทำไมวัดที่โยมจะไปวันที่ยี่สิบสี่นี้วัดที่อังกฤษทางวัดฉันแค่หนึ่งมือ้อเป็นเพราะทางวัดอยากให้เราเรียนรู้ภาวะการหิวและพยายามกำจัดความหิวหรืออยากใช่หรือเปล่าคะมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกัน การกินมื้อเดียวมันทําให้ไม่ยุ่งยากกับเรื่องการกินจะได้มีเวลามาปฏิบัติกันสองกินมากเกินไปก็ทําให้ง่วงเหงาเหานอนเกิดความเกลียดคร้านขึ้นมากินน้อยมันก็ไม่ง่วงตัวเบานั่งสมาธิก็ไม่ไม่หลับเดินจงกรมก็ตัวปลิวเป็นประโยชน์กินมื้อเดียวหรือบางทีกินมื้อเดียวยังมีปัญหาก็อาจจะไม่กินเลยก็ได้อาจจะกินวันเว้นวันสองวันค่อยกินสักครั้งหนึ่ง นี่คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการกินมันเกี่ยวมันมันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติยิ่งกินน้อยเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติได้ง่ายกินมากแล้วจะปฏิบัติได้ยากคำถามจากยู u b e นะครับจากคุณศิรินทร์นนะครับสวดโพชงครับปลิตให้เพื่อนที่ป่วยเพื่อนจะดีขึ้นใหม่ครับถ้าดีก็ไม่ต้องไปหาหมอเนี่ มีหมอทําไมมีโรงพยาบาลทําทไมมาสวดกันไงแล้วคนไข้ก็ไม่ต้องสวดด้วยคนอื่นสวดให้ไงก็ดเีเดี๋ยวเราไม่สบายขอเชิญมาสวดให้เราหน่อย เ, ยเพื่อเราจะดีบ้างวันก่อนคนก็มาใส่บาทแล้วก็ขอตอนนี้ลูกอยู่ไอซียูมาขอให้ลูกหายมาขอพระ <c oughs> <laughs> พระไม่ลู้หน่วยเนี่ยเอา้าก็ขอให้หายหายก็หาย คำถามจาก YouTube นะครับจากคุณณพลนะครับอย่างไรเรียกว่าการขวางมัดขวางนิพพานครับก็ไม่ปฏิบัติมันก็ขวางแล้วให้ให้รักษาศีลก็ไม่รักษาศีลให้นั่งสมาธิก็ไม่นั่งให้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ฟังก็ขวางนะคำถามะนะครับ จะคุณนาตยานะครับทุกครั้งที่ทําบุญหรือนั่งสมาธิต้องกวดน้ําทุกครั้งไหมเจ้าคะอ๋อไม่ต้องหรอกน้าไม่ต้องกวดแล้วก็ไม่ต้องอุทิศด้วยบุญระดับปฏิบัตินี้เขาไม่อุทิศกันก็อุทิศบุญระดับทานถ้าอยากจะอุทิศให้ผู้ที่โล่งรับไปแล้วเอาไปทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศได้เลยแต่บุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันยังไม่มีผลนะเพรามัน แล้วถ้ามีผลมันก็มันก็เป็นบุญที่เหนือกว่าความต้องการของผู้ที่เขารับผู้ที่เขาต้องการรับเขาต้องการบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานซื้อข้าวซื้อ ข, อ, ข, ของถวายอาหารเขาจะได้เหมือนกับว่าได้กินอาหารทิพย์ท่นเองเรื่องสมาธิเรื่องศีนนี่เขามันมันไม่ได้เป็นบุญที่เขาอุทิศกันคําถามจกคุณสุรพลนะครับ ผมสังเกตว่าความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีเจตนาบังคับไม่ได้ขณะสวดพุดโทโธตรงนี้ควรทำอย่างไรครับออถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ควบคุมความคิดได้ตอนนี้รถเราเบรกไม่ดีเบรกเก่าผ้าเบรกจะหมดแล้วควรไปติดผ้าเบรกใหม่แล้วพอเหยียบปั๊บก็หยุดปุ๊บเลยตอนนี้เหยียบแล้วมันก็ยังวิ่งไปอยู่ แติตอนนี้พวกเราอยังอ่อนมากมันยังไม่สามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะหยุดได้จากคุณเศษฐวุฒนะครับจิงงหมายครับที่ว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวไม่รู้เหมือนกันนะลองถามตัวเราดูเลยถามว่าถามเทวดาตัวเราว่ามีหรือเปล่า เนี่ยเทวดาเขามาทำอะไรต้องมาคอยคุ้มครองเราเเทวดาเขาก็เป็นดวงจิตดวงใจดวงหนึ่งเขาทำบุญเขาไม่ได้ทำบาปเวลาเขาตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาเมื่อเขาเป็นเทวด า, าก็ไปเที่ยวในโลกสวรรค์ก็จะมาเป็นอารักขาประจำตัวใครทำไมมันไม่มีใครจะมาเป็นอารักขาของใครกันหรอก Ah ato, อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นเทวดาคุ้มครองตนเองด้วยการทำตนเองให้เป็นเทวดาเนี่ยอย่างญาติโยมมาทำบุญทาทานรักษาศีลเนี่ยก็เป็นเทวดาแล้วมีเทวดาคุ้มครองแล้วคำถามจะคุณ overdrive นะครับ การนั่งสมาธิต้องนั่งนิ่งๆใหม่ครับจะขยับตัวได้ไหมออถ้าขยับตัวมันก็ไม่ใช่สมาธิสิการสมาธิก็คือความนิ่งนิ่งกายวาจาใจถ้าไม่นิ่งถ้ากายไม่นิ่งวาจาไม่นิ่งก็ไม่ใช่นั่งสมาธินะออคำถามจากคุณซาล า, านะครับสงสัยว่าการทำบุญผู้ตายที่ครบร้อยวัน จำเป็นต้องทำไหมคะเกินได้ไหมหรือทำก่อนร้อยวันได้ไหมคะทำได้ทุกวันเนี่ยแต่คนรับจะอยู่รับหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอะเขาอาจจะไปไหนแล้วก็ได้อยู่ที่ฐานะของเขาฐานะบุญของเขาถ้าเขามีบุญเยอะเขาก็ไปเที่ยวแล้วเพราะบุญนี้เหมือนกั่าเงินไปเที่ยวในโลกทิปได้ถ้าบาปก็เป็นนี่ก็ต้องไปใช้นี่ไปติดนี่ในคุกตารางก็ไม่มารับผลบุญ พวกที่มารับผลบุญก็เป็นพวกได้ล่อนขอทานไม่มีบุญนนี่คนที่ตายไปนี่มันแล้วแต่เขาจะไปเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เราก็ทําเผื่อไปอย่างนั้นเองที่ก็าทำห้าสิบวันร้อยวันก็เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะทําทุกวันแต่ทําได้ทุกวันเนี่ยจากคุณพารวีนะครับนั่งสมาธิ หลับตาหรือลืมตาอย่างไหนเห็นผลมากกว่าเร็วกว่ากันครับรต้องหลับตาสิเพราะเราต้องการดึงใจเข้าข้างในถ้าเปิดตาก็ยังใจก็ยังออกได้เหมือนจะดึงจับหมาเข้าบ้านนี่ถ้าเปิดประตูบ้านเดี๋ยวมันก็ออกได้ก็ต้องปิดประตูบ้านปิ ด, ป, ดปิดถารทั้งห้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ได้เอาเอาของมาอุดทูนะ แต่ว่าเราอย่าไปสนใจกับเสียงเราให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธไปแต่ตานี่ถ้ามันเปิดแล้วมันจะมันจะรับรู้ทันทีต้องปิดปิดแล้วมันจะได้ไม่รับรู้มันจะได้ไม่ปรุงแต่งมันจะได้ไม่คิดกันคำถามจากคุณสุรพลนะครับการเจริญวิปัสสนาหลังจากจิตสงบแล้วควรเริ่มอย่างไรครับเออต้องรอออกจากวิปัสสนาก่อนให้ต้องออกจากสมาธิก่อน เวลาจิตสงบนี้เป็นเวลาพาักผ่อนเป็นเวลาชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จกําลังที่จะมาต่อสู้กับกิเลสเวลาที่เราใช้วิปัสสนาเวลาจิตสงบไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้สงบไปจนกว่าจะถอนออกมาพอเลือกนั่งสมาธิแล้วเนี่ยค่อยมาพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายมีอาการสาสอง ไม่มีตัวไม่มีตนในอาการสามสิบสองเหล่านี้ไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้พิจารณาเพื่อเราจะได้แยกใจออกจากร่างกายแยกตัวเราออกจากร่างกายเ <Yin. S 1> พื่อเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้เป็นร่างกายเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเจ็บหน่อยแล้วก็เจ็บแทนมันร่างกายมันไม่รู้จักคาว่าเจ็บหรอกมันเจ็บไม่เป็น ผู้ที่รู้ก็คือใจผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายไม่มีตัวรู้มันก็เลยไม่รู้ว่ามันเจ็บตัวรู้พอรู้ว่าร่างกายเจ็บก็คิดว่าตัวเองเจ็บก็กลัวอยากจะให้ความเจ็บหายพอเกิดความอยากให้ความเจ็บหายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้พิจารณาแยกร่างกายออกจากใจใจออกจากร่างกายเพื่อจะได้ต้องไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไป คำถามจากคุณสุลพานะครับการสวดมนต์ควรสวดบทไหนบ้างคะวะได้ทุกบทนะียชอบบทไหนจําบทไหนได้ก็สวดไปเป้าหมายของการสวดก็คือจะได้ไม่ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองถ้าเราอยู่กับการสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นอยู่กับการสวดมนต์ใจก็จะว่างเย็นสบายนแล้วถ้านั่งสมาธิใจก็จะสงบง่าย แต่เวลานั่งต้องดูต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวถ้าสวดมันจะไม่สงบมันจะไม่รวม <Yeah. S 1> เพราะมันยังทํางานอยู่มันยังคิดอยู่การสวดนี้ก็เป็นการคิดอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่ามันคิดแบบไม่ไม่ได้สร้างอารมณ์ไม่ได้สร้างความอยากแต่มันก็ยังคิดอยู่มันก็จะไม่รวมถ้าจะให้มันรวมต้องคิดอยู่คําเดียวคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไป เล้คิดอยู่กับดูลมหายใจไปแล้วมันก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้คำถามจะคุณเศรษฐุธนะครับการถอดจิตมีจริงไหมครับถ้ามีผู้ที่ไม่เคร่งในศีลสามารถทำได้ไหมครับไม่รู้ไงถอดจิตถอดยังไงเหมือนถอดเสื้อผ้าเลยยังไม่รู้เลยก็ถอดจิตถอดยังไ ง, ง, ไ, ง, ไ, งไปเที่ยวไป อก็เวลานอนหลับก็มันก็ไปเที่ยวอยู่แล้วไม่หอกเวลาฝันนี่ก็ถอดจิตอะไรเงี้ยไม่ได้ถอดหรอกคำว่าถอดไม่รู้ถอดจากอะไรจิตมันอยู่ตรงไหนจะต้องถอดมันออกจากตรงไหนออกจากล่างนะอ่าจิตมันไม่ได้อยู่ในร่างมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในล่างมันเพียงแต่มาเกาะติดมันมันมีสายเหมือนกับสายลำโพงเนี่ยมันมติดกับไ้ตัวตัวเครื่องขยายนี้แต่ตัวจิตมันไม่ได้อยู่ในเครื่อง มันเพียงแต่เอาสายมาเจาะติดไว้แล้วมันจะได้ถ่ายมันจะได้ติดต่อกันได้เท่านั้นเองเวลานั่งสมาธิมันก็ตัดมันก็เหมือนกับถอดปลั๊กพวกนี้ออกมันก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไปเท่านั้นเองคำถามที่คุณนาตายานะครับตอนนั่งสมาธิแล้วเปิดคลิปพระอาจารย์ฟังไปตอนนั่งสมาธิจะได้ไหมคะ จะได้สมาธิที่ดีไหมคะตอนฟังไปนั่งแล้วสงบดีก็ได้ในระดับหนึ่ง่ยคือระดับที่ใจว่างใจเย็นใจสบายไม่คิดปรุงแต่งแต่จะไม่รวมถ้าอยากจะให้มันรวมก็ต้องปิดการฟังธรรมแล้วก็ดูลมต่อไปหรือพูดโทอย่างเดียวมันถึงจะรวมได้คำถามจากคุณหมีนะครับสติกับจิต คืออันเดียวกันใช่หรือเปล่าครับไม่สติเป็นเครื่องมือที่จะคอยควบคุมจิตอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนเบรกที่จะคอยควบคุมรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกก็หยุดรถยนต์ไม่ได้ถ้าไม่มีสติก็ทำจิตให้สงบไม่ได้คำถามจะคุณกิตสานะครับสวดมนต์เป็นภาษาบาลีไม่ได้อ่านไม่ได้จะสวดมนต์อย่างไรคะ ก็หัดท่องเอาซิเปิดเดี๋ยวนี้มีบทสวดมนต์ที่เขาอัดเสียงไว้ก็เปิดฟังไปแล้วก็หัดท่องไปแต่ไม่ต้องไปท่องก็ได้ถ้าอ่านไม่ได้ก็เอาคำเดียวก็พอเอาพุโทโธคำเดียวก็ดีที่สุดแล้วขอให้สวดพุดโทโธได้อย่างเดียวก็พอแล้วแล้วจิตก็จะสงบได้เหมือนกับดีกว่าการสวดมนต์เสรได้ซ้าไปคาถามจ้าคุณปรีกนะครับอ่อ อำนาจลาคะมีวิธีลดหรือให้หมดไปไหมครับผมรู้สึกทุกข์มากก็ต้องมันดูความไม่สวยงามของร่างกายเขาเรียกว่าสุภาดูของที่อยู่ภายใต้ผิวหนังบ้างอย่าดูแต่ของที่อยู่ข้างนอกลองผ่าอกมาดูผ่าท้องมาดูบ้างว่าข้างใต้ผิวหนังที่หน้าอกหน้าท้องเนี่ยข้างใต้มันมีอะไรบ้างมีโครงกระดูก ที่หน้ามันก็มีกระโหลกศีรษะให้ดูของที่มันอยู่ใต้ผิวหนังบ้างแล้วมันก็จะทำให้ความกำหนัดราคะเบาบางลงหรือหมดไปได้คำถามจะคุณนัดนะครับตั้งแต่พี่ชายเสียไปคุณพ่อเสียใจมาตลอดในฐานะที่เป็นลูกไม่รู้จะแนะนำคุณพ่ออย่างไรพระอาจารย์ช่วยชี้นแนะหน่อยค่ะก็ เราไปแนะไปสั่งไปสอนพ่อไม่ได้หรอกเราก็ทำแบบอ้อมได้คือหาหนังสือธรรมซีดีไปวางไว้แถวบ้านถ้าพ่อมีเวลาท่านอยากจะเปิดอ่านท่านก็จะได้อ่านอ่านแล้วท่านก็อาจจะได้ได้ประโยชนจากการอ่านหนังสือก็จะทำให้ท่านคลายความเศร้าโศกหรือดับความเศร้าโศกไปได้แต่เราไม่ควรที่จะไปสั่งสอนพ่อแม่นอกจากพ่อแม่ ถามหรือขอความช่วยเหลือจากเราก็สั่งสอนได้อย่างพระพุทธเจ้าพอขอลองให้ไปสอนก็ไปสอนถ้าไม่นิมนต์ไปก็ไม่ไปคำถามจะกคุณตองนะครับ โยมอยู่ไกลบ้านก็ได้พระอาจารย์เตือนสติโยมทุกเช้าคือเมื่อสองวันก่อนทางบ้านส่งข่าวมาว่าโยมแม่ไม่สบายไปหาหมอและหมอท่านบอกว่าลำไส้แม่มีปัญหาเมื่อก่อนจะเครียดฟูงไฟกลัวแม่จากไปแต่ทำไมเมื่อสองวันก่อนโยมเฉยมากและคิดว่าธรรมดาทุกคนต้องเจอร่างกายแม่แก มากแล้วมันต้องเสื่อมโยมโทรหาแม่ก็บอกให้แม่ดูแลตัวเองและอย่าเครียดอย่ากลัวบอกแม่ว่าโชคดีที่อยู่มาได้85ปีแล้วและทําในสิ่งที่แม่ชอบมันธรรมดาและเตือนแม่ว่าวันหนึ่งถ้ามันถึงเวลาให้แม่ปล่อยวางอย่าห่วงเรื่องสมบัติหรือของมีค่าทั้งหลายให้คิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มีสติติด ต, ตัวไปอย่างนี้พอจะเตือนสติ ของแม่โยมได้ไหมคะหรือโยมควรพูดอย่างไรเพื่อให้แม่สบายใจเจ้าคะก็อยู่ที่แม่ว่าแม่จะรับฟังได้หรือเปล่าเอาไปปฏิบัติได้หรือเปล่าถ้าแม่เอาไปทำได้ก็จะเป็นประโยชน์กับแม่ถ้าแม่แม่เอาไปทำก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเหมือนทับพีในหม้อแกงไป เ อ, อมีคําถามแต่ยังไม่สามารถอ่านได้ครับเพราะคําถามยังไม่ขึ้นนะครับนั่งรอเดี๋ยวก็ได้เพราะคำถามที่ส่งมาถ้ายาวมากไปมันจะไม่โชว์ที่หน้าจอนะครับก็ให้พอดีพดีก็ได้ครับที่ส่งมาอออืเไม่ต้องสาธยายมากเอาเข้าประเด็นเลยดีกว่าบางคนมาถามคำถามในแบบแสดงธรรมเล่าสาธยายถ้ายาวเหยียดเลย เ็ยมาแล้วครับจากคุณสุวรรณีนะครับคือเมื่อจิตรวมแล้วสักแต่ว่ารู้จิตสงบดีคําถามคือจิตกับตัวรู้คือตัวเดียวกันเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะนั่นแหละตัวรู้ก็คือตัวจิตตัวใจตัวจิตนี่มันแบ่มันมีสองส่วนตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยเวลาจิตสงบตัวคิดก็หยุดไปเหลือแต่ตัวรู้ เวลาจิตไม่สงบก็มีแต่ตัวคิดตัวคิดมันก็เลยบังตัวรู้ทำให้เราไม่เห็นตัวรู้เห็นแต่ตัวคิดแล้วก็เป็นความคิดที่หลงก็เลยทำให้เราหลงไปกับความคิดต่างๆก็เลยทำให้เราทุกข์กันแต่พอเราหยุดตัวคิดได้เราก็เห็นแต่ตัวรู้เราก็รู้ว่าเออถ้าเราไม่คิดนี่เราสบายนะต่อไปก็ไม่คิดดีกว่าถ้าจะคิดก็ต้องคิดตามความเป็นจริงก็จะไม่ก็จะไม่ทุกข์ คิดว่าอย่างที่ผู้หญิงเมื่อกี้นี่เขาสอนแม่ว่าร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้วนะเดี๋ยวต้องจากกันแล้ว อ, อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไระถ้าคิดแบบนี้คิดตามความเป็นจริงใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าหลงว่าโอ้ฉันจะตายร่างกายฉันเป็นฉันเป็น น, ป น, นู่นเป็นนี่ทรัพย์สมบัติเป็นของฉันอะไรอย่างนี้ไม่อยากจะจากมันมันก็จะทุกข์ขึ้นมา นี่คิดแบบหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราคิดว่าสมบัติเป็นของเราความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ของเราสมบัติไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราจะต้องพัดภาคจากกันในที่สุดถ้าไม่คิดได้รู้เฉยๆก็สบายสักแต่ว่ารู้ไปร่างกายยังหายใจอยู่ก็รู้ว่ายัางหายใจอยู่พอมันไม่หายใจก็รู้ว่าไม่หายใจก็เท่านั้นเองใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจเป็นเหมือนหมอหมอก็ดูคนไข้ไปจับชีพประจรไปอ้าวไม่มีชีพประจอแล้วตายแล้วก็เท่านั้นเองคำถามเจ้าคุณสุรพลนะครับสัมมาสมาธิกับพิจฉาสมาธิต่างกันอย่างไรและสมาธิมีกี่แบบครับคือสมาธินี่สัมมาสมาธิกับสมาธิที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีนิมิตไม่มีอะไรต่างๆ สมาธิที่มีนิมิตเนี่ยที่เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเปรเห็นผีเห็นอะไรต่างๆอหลนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการการเจริญวิปัสสนาสมาธิแบบนี้ไม่มีกําลังออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนกับนอนนอนนอนนอนหลับแล้วฝันกับนอนหลับแล้วไม่ฝัน เ, นเวลานอนหลับไม่ฝันนี่เวลาตื่นมามันอิ่ม มันเหมือนกับว่ามันได้พักผ่อนเต็มที่แต่เวลานอนหลับฝันนี้ตื่นขึ้นมาบางทีไม่อิ่มมันไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเพราะมันทํางานเวลาหลับจิตมันยังทํางานอยู่สมาธิก็เหมือนกันถ้าเป็นสมาธิที่มีนิมิต ม, ม, มีอะไรต่างๆก็แสดงว่าจิตยังทํางานอยู่แตสมาธิที่มีอุเบกขาสักแต่ว่าเว่านี่แสดงว่าจิตหยุดทํางานพักผ่อนเต็มที่เมื่อจิตมีพักผ่อนเต็มที่จะมีกําลังออกมาใช้ปัญญาต่อสู้กับ ตันหาความอยากได้น้เรเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่มิจฉานีเรียกอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่พอรวมแล้วไม่อยู่ในอุเบกขาไม่อยู่กับความว่างออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนสมาธิที่เป็นสัมมาก็คืออัปปนาสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งศักดิแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขา แล้วก็ตั้งอยู่ในอุเบกขานั้นไปเรื่อยๆถ้าตั้งอยู่นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าตั้งอยู่เดียวๆก็เรียกว่าคันิกะสมาธิเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาเลยอันนี้ก็เรียกว่าคันิกะสมาธิใหม่ๆจะเป็นคณิกะก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นอัปปนาอยู่ที่กำลังของสติเมื่อพัฒนาไปขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสมาธิได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ ก็มีสามสามแบบคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธินี้เป็นสัมมาสมาธิส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไปออกรู้เรื่องราวต่างๆหรือมีอิทธิฤทธิ์มีมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆนี้ก็อยู่ในอุปจารสมาธิสามารถละเลิกชาติได้สามารถพอเหินเดินอากาศได้ดำดินได้อะไรต่างๆ อ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้เขากำลังคิดอะไรอยู่อันนี้เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นของอของของความสามารถพิเศษแต่มันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะมาตัดพบตัดชาติตัดความอยากต่างๆก็เลยเรียกว่ามิจฉาถ้าไปทางนี้แล้วก็จะไม่มีวันหลุดพ้นแล้วก็จะถูกความหลงครอบงาแลวจะหลอกคิดว่าตนเองเก่ง แต่ไม่รู้ว่ากำลังถูกกิเ็จใช้งานอยู่อะไรเป็นเช่าตันหาเป็นตัวใช้งานอย่างอย่างเทวทัตนี่ก็คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองก็มีอิทธิฤทธิ์ก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งสามารถปกครองสงได้ก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าจะขอปกครองสงเพราะเจ้าบอกขนาดสาลบุตมือขวาเรายังไม่ได้ให้เป็นเป็นผู้ปกครองสงเธอมันไม่ได้อยู่ในระดับนั้นเท่าไหร่ พอพูดแค่ น, นี้ก็โกรธเกลียดพระพุทธเจ้าเหมือนก็ถูกยามก็เลยคิดฆ่าพุทธเจ้าถึงสามครั้ง้วยกันก็เลยเนี่ยพาให้ไปตกนรกหมกไหมถ้าไม่ถ้าไม่ไปดลงกับสมาธิแบบนี้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของจริงของดีกลับมาทำอยู่ในอัปปนาสมาธิก็จะมีกำลังต่อสู้กับตันหาความอยาก ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยภาวะตันหาอยากเป็นผู้ปกครองสงูสงก็จะไม่มีก็จะสามารถอยู่และตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆได้หมดได้บรได้บรรุเป็นพระนั้นในชาตินั้นเลยไม่ต้องไปตกนรกในขุมลึกที่สุดแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่อยมาบรษยุเป็นพระพุทธพระปเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปคาถามจากทางยูนะครับ จะคุณพัดนะครับเวลามีคนมาทักว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้หมายถึงหมอดูหรือคนที่ อ, อ้างตัวว่าเป็นคนพิเศษเราควรทําอย่างไรดีคะเพื่อจะไม่หวั่นไหวต่อคําพูดของเขาเอก็ฟังหูไว้หูไงรอให้มันเกิดขึ้นก่อนอเขาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่าะจะได้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริง คำถามจากนายณพลนะครับกว่าพุทโธจะเป็นอัตโนมัติต้องทําสมาธิมากใหม่ครับออก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าอยู่ที่ออมีกําลังมากกําลังน้อยทํามากทาน้อยคำถามจาคุณพาลาวีนะครับฟังพระอาจารย์เทศอยู่ทัพพีในหม้อแกงหมายความว่าอย่างไร หมายก็ฟังแนละ้วทำแล้วไม่ได้รับประโยชน์ไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจหรือฟังแล้วไม่ไม่ใส่ใจเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วก็มัวแต่คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่จะไปเที่ยวที่ไหนต่อฟังแบบนี้เรียกว่าฟังแบบทับพีในหม้อแกงเพราะทำจะไม่เข้าไปในใจเลยเหมือนกับทับพีที่สัมผัสกับแกงไม่รู้ว่าแกงเป็นแกงอะไรอยู่กับแกงไป ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรท่านบอกให้ฟังแบบลิ้นกับแกลงลิ้นเนี่ยพอสัมผัสกับแกงเพียงหยดเล็กๆหยดเดียวก็รู้แล้วเป็นแกงจืดแกงเผ็ดอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงก็ฟังแบบมีสติจดจอ่อฟังอยู่กับธรรมไม่ไปคิดเรื่องอื่นคําสอนคําพูดที่เข้ามาก็จะฟังทุกคำํำเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แล้วแต่ความสามารถแล้วก็จะได้รับประโยชน์ จากการฟังคำถามเกุณอดิศักนะครับทุกวันพระถ้าเราไม่ได้ไปทําบุญเราถวายข้าวพระพุทธได้ไหมครับหรือเราถวายข้าวพระพุทธทุกวันได้ไหมไม่ได้เราไม่ควรไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญเอาเงินที่จะถวายข้าวพระพุทธนี้ใส่กระปุกไว้ก็แล้วกันแล้วพอวันที่เราไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้ไปซื้อข้าวถวายพระสงฆ์ไปพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอ เป็นเพียงแต่อตัวแทนเป็นเหมือนรูปภาพอรูปภาพมันกินข้าวไม่ได้หรอกแต่แต่ก็ได้ความสุขใช่ไหมครับอาจารย์ก็<ด>สุขความอม่ะ ม, มันก็สุขความอ่ะสุขความคือที่มีพระพุทธรูปเนี้ให้เราลึกถึงพระพุทธคุณให้ลึกถึงคําสอนให้นึกถึงประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ทําตามที่พระเจ้าทรงสอนทรงปฏิบัตินี่คือเจตนาของการมีพระพุทธรูป ถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธรูปก็ปฏิบัติบูบชาทำตามคำสอนแล้วจะได้ความสุขมากกว่าการเอาข้าวนะ้ามาให้พระพุทธรูปกินคำถามจากคุณวิยานะครับใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเวลาหรือว่าพอลมพอลมหายใจออพอลมหายใจเข้าพุท พอลมหายใจออกโทแบบไหนถูกต้องครับได้ทั้งสองแบบเอาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องใช้ลมก็ได้แล้วจ้าใช้ลมกับพุทโธคู่กันไปก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่พุทโธนี้ไม่ใช่พุทโธแต่เฉพาะเวลานั่งเท่านั้นต้องพุทโธตั้งแต่ก่อนนั่งแล้วตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทโธไปแล้วถ้าพุทโธตอนไหนได้ให้พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไป ถ้ามันจะไปคิดเรื่องขนมนมเนยเรื่องไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากก็เอาพุโทโธหยุดมันไปอย่าปล่อยมันคิดแล้วเวลานั่งมันจะสงบได้ง่าย คำถามจากคุณอุจังนะครับได้พิจารณากายภาพสุดท้ายที่เห็นคือเห็นตัวเองเป็นศพน้ำตามมันไหลเองภายในใจรู้สึกเศร้ามากเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังเศร้าอยู่ทั้งวันไม่อยากพูดคุยกับใครอย่างนี้หนูทำถูกหรือผิดคะมีแนวแก้ไขอย่างไรเวลาอยู่ในสมาธิไม่ควรพิ จ, จารณาควรให้จิตว่างจิตสงบ จะพิจารณาศพนี้ต้องออกมาตอนที่ออกจากสมาธิแล้วตอนที่จิตสงบจิตสบายแล้วพิจารณาสร้างศพแล้วจะไม่เศร้าที่เศร้าเพราะจิตยังไม่สงบแล้วก็ไปพิจารณากิเลสมันก็เลยมาสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจเพราะกิเลสไม่อยากให้ตายไม่อยากให้ร่างกายตายดัยงนั้นเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาแต่นั่งสมาธิต้องการให้จิตว่างจิตสงบจิตเป็นอุเบกขา ถ้ามีอุเบกขาเวลาพิจารณารมเวลาออกมาพิจารณาแล้วมันจะไม่เศร้ามันจะเฉยเฉยมันจะมันจะสังเวชมากกว่ามันจะสลดสังเวชอ๋อเราหลงไกตัวนี้ทุกข์ตัวนี้มาน้องนานอย่างนี้ไม่ทุกข์กับมันแล้วรู้ว่ามันเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปวุ่นวายไปกับมันทาไมวุ่นวายยังไงก็ตายอยู่ดีสู้ปล่อยมันตายดีกว่าเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน คำถามชะคุณทีนะครับอยู่ต่างประเทศเจอขโมยบุกเข้าบ้านตอนกลางคืนตื่นมาพบพอดีหนีเข้าหลบอยู่ในห้องนอนแจ้งตำรวจได้ไม่มีการประทะกันผ่านไปสามวันแล้วจิตแล้วแต่จิตยังระแวงตื่นตกใจเมื่อได้ยินเสียงหรือมีใครมาเคาะประตูควรทำใจอย่างไรให้จิตดีขึ้นครับก็ตรงไงมันจะมาอีกก็ห้ามมันไม่ได้ลราก็พยายาม ป้องกันให้ดีที่สุดปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยเอาปืนไว้ข้างๆตัวถ้าหน่อยก็ได้แ ต, แต่ไม่ให้ไปยิงมันนะเพียงแต่ไล่มันให้ยิงให้มันรู้ว่าเรามีปืนถ้าจะยิงก็ยิงขายิงแขนได้แต่อย่าไปยิงให้มันตายยิงเพื่อสกัดมันไม่ให้มันมาทำร้ายเราอย่างนี้ได้อยู่แต่อย่าไปทาร้ายไปอย่าไปฆ่าเขา คำถามหมดครับพระอาจารย์ดีก็หมดแรงพอดี <laughs> <laughs> <laughs> มีใครอยากจะถามอยางไหมอ่าไม่มีนะ <laughs> ไม่มีก็ขอเอาเพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ